มันเกิดขึ้นกับเราแล้วมันเกิดขึ้นกับในกลุ่มของเราหรือว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นมันก็นเกิดขึ้นเพราะด้วยเหตุอันใด เ, เราก็มันไม่รู้ทางทางไปทางมาเอไม่รู้ตนไปสายเหตุเหมือนกัน่แต่ในนี้พอเรานั่งอขัดสมาธิเรียกว่าเดินจงกรมเอเดินเดินโยกรมทําใจให้เน่งเน่งไม่ต้องคิด ไม่ต้องคิดว่าเราถูกไม่ต้องคิดว่าเราผิดไม่ต้องคิดว่าเรื่องท่านนั้นเป็นเรื่องดีเรื่องร้าย aint. เราไม่ต้องคิดเราจะคิดแต่ว๊ะมันสาเหตุเป็ น, ปนมาเพราะอะไรเราได้รับจุดนั้นครั้งแรกทารู้เรื่องจุดนี้ครั้งแรกจุดนั้นในเมื่อกู้จุดนั้นแล้วมันเรื่องมันเป็นอย่างนั้นมันสาเหตุมันมาจากอะไร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 จิตใจของเราไม่ต้องไม่ต้องพิจกกังวลไม่ต้องว่าเราผิดไม่ต้องว่าเราทุกขอเราไม่ต้องนะเราทําใจให้เป็นกลางๆลางในขณะที่เราคิด่ะเราค้นหาเราตตจะทําใจเป็นกลางๆงพอทําใจเป็นกลางๆแล้วเราจงนึกย้อนย้อนย้อนย้อนดูแบบละเอียดทีท่วนเราจะเห็นเหตุและผลในเรื่องนั้นนั้นนั่นแหะเพียงทางโลกเพียงแค่นี้เราก็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 ไข่กับจานมันขยับก็เยื่อนไม่ได้ฮะหลวงพ่อก็เลยมาเปรียบเทียบให้ชัดเจนขึ้นมาว่า อ, อร่างกายเนี่ยเหมือนกับรถนะลูกหลานนะร่างกายเหมือนกับรถแต่จิตใจนามธรรมเหมือนกับคนขับรถนะหลวงพอ่อแต่จะเปรียบเทียบกับล้ล้ตาที่ท่านพูดก็ว่าไข่เหมือนกับคนขับรถจานเหมือนกับรถนะลักษณะอย่างนั้นนะ เ, เพราะนั้นให้พวก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 เมื่อไนออกมาดนมันหนาวเลยไหมเข้ากนว่าฝนสีมานด้เหรอาต่พายุโซนร้อนพายุโซนร้อนจะเข้ามาวันที่ส1บเอ็ดถึงวันที่ส3บสามเลยมิดจอยลอย่ามีหดขีฝ้าลูกปูสิงท่องบอกว่าไปห่อเสื้อมันปากเล็กปากขังปากเล็กปากขางคือปากวิทยุอนออกไปอันนี้เขาบอกว่าในสีหอนเด้